มองเห็นไหมล่ะที่อยู่ไกลๆนั่นน่ะมองเห็นหลวงตาบัวไหมถ้าไม่เห็นวันนี้ก็วันพูุนี้ตอนเช้าเอาพระอาทิตย์ส่องทีเดียวได้เห็นกันหมดเลยนะวันนี้เสียงตะเกียงเล็กๆนี่มันไม่เห็นเลย รอไปวันพรุ่งนี้ค่อยดูหน้ากันนะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเจดี อ, JD อะไรที่สร้างเจดีอะไรที่สร้างเจดีอะไรร้เจดี์ท่านอาจารย์เพื่องได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้กับผมเนะ้อศพอาจารย์เพื่องอยู่ตรงด้านหน้าเจดีนะครับผม สร้างเมื่อปีพศ2522ครับผมเสร็จเมื่อปีพศ2525ครับผม <c oughs> คนจะมาจากทางไหนกันบ้างเนี่ยที่มากๆากนะชาวจังหวัดระยองและใกล้เคียงครับผมจันทบุรีระยองตราดชนบุรีครับผมตันทีบครับผมโ อ, โอตราดก็มาเหรอครับกรุงเทพแนละสิทธิ์ของท่านจันเพื่องก็มาเยอะครับผม ก็อออพอดนะีหนึ่องทุ่มเลยนะเพิ่งเนระื่องทุ่งพอดีอดวันนี้เป็นโอกาสวาสนาอํานวยของผีน้องทั้งหลายที่ได้มาพบกันในวันนี้เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติของเราชาติเป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวครอบประเทศไทยของเราเราทุกคนเป็นคนไทยเกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่พาให้เกิดไม่ใช่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความต้องการปรารถนาเอาไวอา้อย่างนั้นอย่างนี้ แต่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วหนักเบาต่างกันสถานที่ที่ควรจะเกิดในที่ใดที่ใดนั้นเป็นเรื่องของกรรมพาให้เกิด <c oughs> เราไมา่ได้เกิดตามความต้องการของเราเพราะฉะนั้นรูปร่างกลางตัวความรู้ความฉลาด ความโง่เขลาเบาปัญญาฐานะสูงต่ำยศถาบรรดาศักดิ์จึงมีต่างกันเป็นลําดับลําดาท่านจึงไม่ให้ประมาทกันว่าคนนั้นต่ำต้อยน้อยหน้าคนนี้มีความสุขความเจริญคนนี้มีเงินมีทองเข้าของมียศถาไมลสัก์บริวารมากจากนี้ท่านไม่ให้ดูถูกกัน เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันหมดเราเป็นผู้ต้นเหตุแห่งการเกิดด้วยกรรมของเราแต่ละลายละลา ย, ลลายเกิดมาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราดีชั่วโง่หรือฉลาดประการใดก็ย่อมมาจากกรรมของเราเองการศึกษารเรียนความรู้ต่างๆนั้นเป็นเพียง ความปีก ย, ย่อยไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงจากตัวของเราเหมือนกรรมของเราเองที่พามาพาอยู่พาไปพาเกิดพาเป็นพาตายตามสถานที่ต่างๆพระพุทธเจ้าที่เรานับถือว่าเป็นศาสดาเอก ทั่วประเทศไทยของเราเวลานี้ท่านเป็นศาสดาเอกจริงๆไม่เพียงคำเสกสรรท่า น, นยอว่าศาสนาของเราดีอย่างนั้นศาสนาของเราดีอย่างนี้ดังที่เคยได้ยินได้ฟังมาจนชินหูชินใจอย่างนั้นสำหรับพระพทุทธเจ้านี้เกิดขึ้นมาโดยหลักธรรมาชาติแห่งความจริงโดยแท้ ก่อนที่จะได้มาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์พระองค์นั้นตามหลักธรรมท่านแสดงไว้ว่าเกิดขึ้นมาด้วยความปรารถนาตั้งวนิทานความปรารถนาขอให้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าจากนั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้าง คุณงามความดีเป็นลําดับจนกระทั่งถึงขั้นแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ด้วยความตะเกียบตะกายทุกพหุทุกชาติหลายกับหลายกันที่จะเต็มพระบารมีแล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์ไม่ใช่เกิดขึ้นมาอย่างง่ายดายอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เกิดกันเกลื่อนโลกอยู่เวลานี้ พระพุทธเจ้าอุบัติได้ยากเพราะเป็นสิ่งที่ยากกว่าที่จะาฟาฝืนความชั่วชาลามกความปิดบังแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าแห่งวัฏะมันครองหัวใจอยู่เป็นเวลานานก่จะพ้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นสาสดาเอกของโลกยึงผ่านพ้นขึ้นมาได้ยาก พระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์จึงมีเพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้น <c oughs> ไม่มีสองมีสามเกิดขึ้นมาซ้อนๆกันเลยเพราะเกิดได้ยากเมื่อเกิดขึ้นมาแต่ละพระองค์นั้นจึงสมภูมิแห่งความเป็นาศาสดาเอกของโลกในรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เรียกว่าโล ก, กวิถีรู้แจ้งโลกไม่ว่าจะโลกนอกโลกในโลกหยาบละเอียดรู้ตลอดทั่วถึงตลอดกรรมของสัตว์ทั้งหลายและพบท่านนั้นที่สัตว์ทั้งหลายไปเกิดไปอยู่ไปสวยกรรมพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานอย่างชัดเจนแล้ว จึงนำมาสั่งสอนโลกตามที่ทรงหู้ทรงเห็นแล้วนั้นให้ทราบโดยทั่วกันตลอดมาดังพระพุทธเจ้าของเหล่านี้ก็ทรงประกาศสอนธรรมตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งบัดนี้ประกาศตั้งแต่ความจริงทั้งนั้น เราถือพุทธศาสนาสิ่งที่เรามองข้ามที่เราไม่ถือเป็นสําคัญนี้มีมากต่อมากภายในจิตใจของเราไปที่ไหนจําต้องได้พูดจุดนี้อันเป็นจุดที่สัตว์ทั้งหลายมองข้ามไปสัตว์ทั้งหลายไม่สนใจ แตทั้งหลายไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างง่ายดายและไม่ยอมเชื่อจึองจะขอชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในวันนี้อย่าง <c oughs> ไม่สะทกสถทานแสดงอย่างอาฐานตามความมีความเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น และที่ตนได้ปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นตามหลักความจริงเหล่านี้ตามภูมิแห่งความสามารถของตน ว, ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมี เหล่านี้เป็นความถูกต้องแม่นยาไม่มีเคลื่อนคาดแม้แต่ น, นิดเดียวและมีประจำโลกมานานแสนานกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยเพราะเป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่มาแต่การไหนไหนีนสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของของโลกแต่พาออยางยิ่ง ของชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาในภาษาของศาสนาท่านเรียกว่ากิเลสคือท่านให้ชื่อว่ากิเลสคือความปิดบังหุ่มห่ อ, อ จ, จิตใจไม่ให้มองเห็นความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเหล่านี้สิ่งที่พรกดันให้ทำให้พอใจทำให้สนใจทำ ให้ทำด้วยความจริงจังภายในจิตใจนั้นคืองานของกิเลสที่บงการออกมาจา ก, กจิตใจขักดันให้ออกมาจา ก, กจิตใจแล้วให้สัตว์ทั้งหลายเคลื่อนกายวาจาใจของตนหมุนไปตามมันไม่ให้หมุนไปในทางที่ถูกที่ดีตามพระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนไว้แนวนั้น ให้มุนไปตามความอยากความทะเยอทยานของตนสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นภัยต่อจิตใจของเราและเป็นภัยต่อธรรมทั้งหลายสอนโลกให้รู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยเป็นสิ่งที่หลอกลวงต้มตุนสัตว์โลกมาเป็นเวลานาน และปิดบังความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นให้มิดตัวไม่ให้มองเห็นเลยถึงกับไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้นว่ามีดังที่กล่าวสักครู่นี้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพมโรคนิพพ า, านมีนี่คือความจริงล้วนๆพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความจริงรู้เห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมด นำมาแสดงแก่โลกเป็นแบบเดียวกันหมดแต่กิเลสมันก็เป็นประเภทเดียวกันนับแต่โคตแท่ของกิเลสปู่ย่าตายายของกิเลสมากับไหนการใดก็าตามมันเป็นตัวจอมปลอมพลิ้แพรเปลี่ยนแปลงดีว่าชั่วชั่วว่าดีมีว่าไม่มีไปเสียหมดดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ว่าบาปมี กิเลสมันก็บอกว่าบาปไม่มีทําใหสัตว์ทั้งหลายกล้าหาญในการทาบาปและพอใจในการทำสาบาปโดยไม่ขยะแขยงไม่มีเหอีอุตปะประจําใจเลยนี่เพราะกิเลสมันเชี่ยมสอนอยู่ภายในจิใจทั้งๆที่มันเป็นบาปมาตั้งกับตั้งกันแล้วสำหรับผู้ทําบา ผู้ทำบุญก็เคยเป็นบุญมาตั้งกับตั้งกันแล้วตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ยิ่เละมันก็ลบล้างว่าทำบาปไม่ได้บาปทำบุญไม่ได้บุญนรกสวรรค์พุทธโลกไม่มีสิ่งที่มีก็คือที่มันกดดันอยู่เวลานั้นให้ทำตามความต้องการของมันความต้องการของมันจึงกลายมาเป็นความต้องการของเรา เราอยากอะไรคือกิเลสพาให้อยากมันไม่ให้ทราบว่าตัวมันพาให้อยากมันก็จับยัดเข้ามาหาตัวของเราว่าเราเป็นผู้อยากเมื่อเราเป็นผู้อยากอยากทำอะไรก็ไม่คำนึงว่าอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยหนูนหลังอยู่เวลานั้นก็ไม่คำนึงไม่รู้เป็กิเลส จับเข้ามามัดไว้กับตัวเขาเราเองกลายเป็นเราอยากความโลภความโรกรธความหลงราคะตัณหาเหล่านี้จึงกลายมาเป็นเราเสียทั้งหมดไม่มีพิปีภัยอะไรเพราะตัวเราเองย่อมถือว่าเป็นเราสังหวนเราเราต้องการทาสิ่งใด ก็ทำตามความอยากของเราความอยากของเรานี่แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปไม่อยากทำในสิ่งที่เป็นธรรมอยากทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ทำนำความทุกข์เข้ามาพัวพันตนเอง พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาสัตว์โลกอย่างมากมายไม่มีอะไรเกินพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ที่แต่จะรู้ขึ้นมาก็เพราะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มืดบอดที่สุดตาหูจมูกเลี้ยกายมีก็กลายเป็นเครื่องมือเป็นหุ่นของกิเลสเสียทั้งหมวลไม่ได้เป็นเครื่องมือของอัดของธรรมจึงลําบากแก่การแนะนําสั่งสอน และลำบากแก่การแต่ปฏิบัติตามนอกจากไม่ลำบากในการเชื่อกิเลสและทำจากตามกิเลสเท่านั้นมันเป็นทางเดินอันโล่งของมันตลอดมาจึงไม่ให้สัตว์ทั้งหลายรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บารู้แต่ความอยากความเทะเยอทะยานหมุนไปตามความอยากความเทะเยอทะยานครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดในสถานที่ไม่ดี ที่ไม่พึงหวังนั่นแหละเพราะกิเลสไม่เคยพาพาใครไปสวรรค์พร ม, มโลกนิพพานลอกจากโน้นให้ลงทางต่ำคือความทุกข์ความทรมานตกนรกโกรกไม่เป็นเตดเป็นผีขั้นฟื้นตัวขึ้นมาได้มันก็พาหมุนไปทางเดิมให้เกิดแก่เก็บตายตกนรกอวิกีอยู่ตามเดิมอย่างนี้เรื่อยมาไม่มีวันที่มันจะ ปล่อยวางให้เราทั้งหลายรู้เนื้อรู้ตัวว่ามันเป็นพิษเป็นไันแล้วปีตัวหรือสลัดตัวให้ห่างไกลจากมันไปได้นี่จึงเป็นการลำบากมากที่จะแก้ความชั่วแก้เชื้อแห่งการทำความชั่วภายในจิตใจคือกิเลสตัวนี้ออกได้ไม่มีสิ่งใดจะถอดถอนหรือแก้ชาระล้างมันได้นอกจากทำ ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแก้มาได้และมันลิเลตเหล่อนี้กลัวแต่ทำอย่างเดียวอย่างอื่นไม่กลัวนี่พวกเราทั้งหลายก็ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่เลิศเลอเป็นผู้รู้แจ้งแทงสรุทั้งมุนทั้งบากรุกสิ่งดูยาก ตลอดวิธีการแก้ไขถอดถอนภกชาติของตนให้หลุดพ้นไปได้ดังพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพยายามตัดแรงจิตใจแก้ไขถอดถอนพิเลธทึ่ฝังอยู่ภายในใจิตใจนั้นเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการบำเพ็ญภาวนาเริ่มแต่เสียงขึ้นไปถึงสมาธิถึงปัญญาวิมุตติหลุดพ้น นี่เป็นน้ำแต่ละประเภทประเภทที่ใสสะาดสุดยอดชะล้างสิ่งสสกครกที่มีอยู่ภายในกายภายในจิตใจของสัตว์ให้ค่อยหายจางไปเป็นลำดับนี่คือทางที่ท่านทรงทําละล้างมาแล้วการเกิดไม่มีใครเกิดตายมากยิน ก, กว่าพระพุทธเจ้า ก, ก่อนจะมาเป็นศาสราสอนโลก พระองค์เคยเกิดเคยตายมากี่กั บ, บี่กันมาแล้วจึงได้มาเห็นภัยของมันเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเห็นภัยตลอดทั่วถึงตั้งแต่เริ่มแรกมันเกิดเป็นภพเป็นชาติกอความทุกข์ความทรมาณแก่พระ อ, องค์มาที่ท่านแสดงไว้ใ น, ในพระประวัติของพระพุทธเจ้าว่าปุเพนิวาสานุสติยาทรงบำเพนอนาปา ร, รัสติ อานเป็นทางเดินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ขึ้นมาในปฐมมายาว่าอุเพนิวาสานุสติญาณทรงะลึกชาติย้อนหลังแห่งความเกิดตายของพระองค์มาจำนวนมากต่อมากตลอดทั่วถึงทรงสหายสงสัยในความเกิดตายของตนว่าได้เป็นมาอย่างนี้แล้ว พอมัชฉิมายามก็บรรลุธรรมเคยจะปลกปาแต่ยากทรงพิจนาทราบเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาบกบางได้เลยมีมองไปที่ไหนทั่วแดนโลกธาตุนี้มีแต่ความเกิดตายของสัตว์ ความเกิดตายของสัตว์มูลเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทำนองนี้การเกิดตายของสัตว์ก็มูนสูงสูงทำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนไปตามอํานาจแห่งกรรมทำกรรมดีก็พาให้หมูลไปในทางที่ดีทำกรรมชั่วก็ให้มูนไปในทางที่ชั่วให้เกิดในภพในชาติอันเป็นความทุกข์ความทนมานตามลําดับแห่งกรรมที่ทําหนักเบามากน้อย มาแล้วทำกรรมดีก็เกิดในสถานที่ดีทั้งที่ท่านแสดงไว้ว่านารกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนี่เป็นส่วนใหญ่ๆที่สัตว์ทางหลายเกิดตายกันอยู่ตลอดเวลาและอยู่สถานที่เหล่านี้มาเป็นประจาคือนรกนั้นเป็นสถานที่อยู่ ที่เสวยของสัตว์ผู้ทํากรรมมากกรรมน้อยเป็นลำดับลำดาแล้วเสวยทุกข์อยู่ในนรกนั้นเป็นลำดับลำดาขึ้นมาจนกระทั่งถึงพ้นออกมาเป็นเปรตเป็นผีเป็นมนุษย์มนนาอย่างราเรท่านทันนี้โดยเจ้าตัวก็มารู้ว่าได้เคยเกิดเคยตายเคยตกลกหมกไม่มา ป, น, ปนี่เรียกว่าสถานที่อยู่ของสัตว์ประเภทนี้คือนรกเป็นหลุมหลุมเป็นสถานที่อยู่แห่งผู้สวยกรรมชั่วที่ตนทําแล้วหนักเบามากน้อยเป็นลําดับดําดาขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นสถานที่อยู่อันหนึ่งของฉันโลกผู้ทําดีอย่างน้อยก็ามาเป็นมนุษย์ นี่เรียกว่าสถานที่อยู่แห่งมนุษย์ผู้มีบุญกรรมพอสมควรจะเป็นมนุษย์ได้ตามขั้นตามภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของของตนเพราะมนุษย์เรานี่ไม่เพียงแต่ว่าเกิดขึ้นเป็นมนุษย์แล้วก็สมบูรณ์แบบยังบกพร่องอยู่ในความเป็นมนุษย์นั่นเองเป็นเศษมนุษย์ไปก็มีเยอะมนุษย์เต็มบาทก็มีมนุษย์ขาดบาทขาดตาเต็มก็มี จนกลายเป็นเศษมนุษย์ก็มีนี่มนุษย์ก็มีหลายประเภทเราอยู่ในโลกอันเดียวกันแต่มีความทุกข์ความทรมานต่างกันเช่นอย่างโลกมนุษย์เราแผ่นดินมนุษย์เหล่านี้แล้วความทุกข์ความทรมานของมนุษย์ประเภทต่างกันนั้นย่อมมีความลาบากระมวนต่างกันอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานเป็นที่อยู่ของมนุษย์ประเภทหนึ่งที่สูงไปกว่านี้ ท่านบอกไว้ว่าสวรรค์สวรรค์คือตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงประนิมิตวสาวรีเป็นสวรรค์หกชั้นนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้บำเพ็ญคุณ ง, ง, งามความดีเป็นชั้นๆั้นแห่งวาสนาบารมีหรือบุญญาพิจิตรบาลองตนเวลาตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นๆเป็นลำดับลำดา จนกระทั่งถึงพรหมโลกสิหกชั้นนี่ก็เป็นสถานที่อยู่แห่งสัตว์ผู้มีบุญทั้งหลายแต่ละขั้นละภูมิตลอดไปสิ้นจากนี่แล้วคือผู้ที่ถอดถอนกิเลสออกจา ก, กจิตใจโดยสิ้นเชิงดังพระผู้ดังพระพุพะพทธเจ้าพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทุกทุ ก, ทกพระองค์เหล่านี้ เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากความเกิดแก่เก็บตายที่เคยเป็นมากี่กับกี่กันนับไม่ถ่วนได้สิ้นสุดยุติอันลงแล้วในขณะที่เชื่อแห่งพบแห่งชาติคือเกืเอสฝังอยู่ภายจในใจนั้นท่านเรียกว่าอวิชชาไปถอนตัวออกจากจิตใจแล้วใจจึงหลุดพ้นจากนั้นแล้วกลายเป็นใจนิพพาน ได้ถึงมหาวิมุตตมหานิพพานขึ้นมามหาวิมุตตมหานิพพานนั้นถัดเทียบตามท่านต่างๆที่เรากล่าวมานี้ก็เรียกเป็นสถานที่อยู่ของท่านผูสิ้นทุกแล้วโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นคำว่าตายแล้วศูนจึงไม่ปรากฏ ในโลกกระถากนี้เลยว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปศูนย์ไปศูนไม่มีการเกิดตายอยู่ต่อไปอย่างนี้ไม่มีมีแต่การเกิดการตายหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดทุกดวงของจิตวิญญาณไม่มีจิตวิญญาจิตวิญญาณดวงใดตายแล้วศูนตายแล้วศูน <c oughs> ในหลักธรรมชาติอันนี้ เราจะพิสูจนได้ด้วยกิจตภาวนาเป็นสําคัญดังพระพุทธเจ้าพระรหันท่านพิสูจน์ความเกิดความตายของตนเรื่อยมาเหมือนหนึ่งว่าท่านตามร่องรอยแห่งความเกิดตายของตนด้วยกิจตะภาวนาเป็นลําดับลําดาเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นจิตมีความสงบเย็นใจ รวมกระแสแห่งาจิตที่เคยคิดฟุ้งซ่านนำพาเข้ามาสู่ความสงบภายในใจเป็นความรู้ที่เด่นขึ้นมาความรู้อันนี้แต่ก่อนไม่เด่นหากเรียกว่าจิตเหมือนกันแต่ว่าจิตมันควาน น, วา น, นั้นควานนีย้ยึดนั้นยึดยุดนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวพอที่จะเรียกว่าตัวว่าเราได้มันเป็นความรู้ส้านไปหมด ภายในร่างกายนี้ก็ซาดไปหมดเลยถือเอากายทั้งกายนี้ซึ่งเป็นเพียงท่าสีดินน้ำลมไฟมาเป็นเราเป็นของเรามาเป็นความรู้ของเราเสียสิน้นนี่เพราะความสายแสกระแสะของจิตวุ่นวายสายไปหมดยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้เมื่อจิตรวมเข้ามาด้วยจิตตะภาวนาเป็นสําคัญ โดยวิธีการชำระจิตของตนเช่นท่านเรียกว่านั่งกรรมฐานนั่นคือนั่งอบรมจิตใจของตนให้เข้าสู่จุดรวมโดยมีคำบริกรรมทาบทใดก็ได้พุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆหรืออนาปารสติเป็นตน้นเป็นอารมณ์ของใจมีสติตั้งมั่นจดจ่ออยู่กับ คาบริกรรมนั่นๆมาให้เถื่อหลายครั้งหลายหนเข้าไปจิต ก, ก็ค่อยแนบสนิทกับสติติดแนบกันไปเรื่อยๆเพากระแสของจิตที่ชอบคิดชอ บ, ช อ, บอ่านไม่หยุดไม่ถอยนั้นก็สงบตัวเข้ามาเมื่อสงบตัวเข้ามาความรู้นี่ก็รู้วมตัวเข้ามาเป็นจุดเด่นขึ้นมารู้อยู่ภายในตนโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์อะไร มีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นนี่เรียกว่าจิตรวมตัวเข้ามาเริ่มรวมตัวเข้ามาให้เราได้รู้เงื่อนของมันในบางตนที่ความสงบปรากฏอยู่นี้คือจิตรวมตัวออกจากนี้แล้วก็เริ่มการพิจารณา อบลมจิตองนี้ให้รวมตัวหนักเข้าไปหนักเข้าไปหนาแน่นเข้าไปแม่นยาเข้าไปจิต ก, ก็เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในใจแล้วก็ส่งแสงสว่างออกจากตัวของจิตเองนี่จิตจะเริ่มเด่นในตัวของเราที่เคยเกี่ยวข้องวุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารใดๆที่จิตเคยเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเป็นที่เกาะที่ยุดนั้นจิตจะถอยตัวเข้ามามาเป็นรู้อยู่โดยลำพังตัวเองนี่เรียกว่าจิตเริ่มเป็นตัวของตัวเข้ามาไม่เป็นน้อยไม่เป็นบ่อยไม่ไปเที่ยวเกาะเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเลิศเลออะไรโดยลาดับลาดับเข้ามา จนกายมาเป็นกิจสงบเย็นสบายสว่างสวัยอยู่ภายในนี้นี่เรียกว่าเริ่มต้นติดตามภพชาติของตนให้ถึงที่สุดแห่งภพภาตนี้ว่ามันจะประยุติที่ไหนการเกิดการตายของเราจากกิจดวงนี้แล้วพิสูจน์เข้าไป จาปิตาภาวนานในด้านสมาธินี่แล้วแยกขายายออกเป็นส่วนปัญญามันติดข้องกับสิ่งใดพิจารณาแยกคายเริ่มไปตั้งแต่เรื่องกายพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักสำคัญที่จะติดตามดูจิตร่องลอยของจิตให้ชัดเจนขึ้นไปท่านเริ่มสอนตั้งแต่สกุลรากายเกษาโลมานคาธัานตาตะโจ ผมขนเล็บฟันหนังนี่จะเป็นที่ก้าวเดินของปัญญาคลี่คลายดูสภาพเหล่านี้ให้เห็นแจ้งชัดเจนเข้าไปดูระดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่ น, นว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็จะค่อยจางเข้ามาจางเข้ามาความเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกเหล่านี้ ก็จะชัดเจนขึ้นไปด้วยความเห็นเป็นของปฏิกูลโสโครเป็นของไม่ยังยืนถาวรแล้วแยกเข้าไปจนกลายเป็นธาตุหนน้ำบงไฟปัญญาจะขายายตัวออกรู้ออกเห็นแล้วถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหมือนถูเขาทั้งลูกอด่วงจิตใจของ่รานี่เข้ามาได้เป็นลาดับลำดับ นี่เรียกว่าตามร่องรอยแห่งการเกิดตายของจิตดวงนี้แล้วจากนั้นจิตก็จะมีความท่องแทวแ ก, กล่าจากการพิจารณาสิ่งหลายเหล่านี้จิตที่ไปยึดไปถืออันเป็นเรื่องของกิเลสมันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาปัญญาจะมีความแช่แขแห ล, แหลมคมขึ้นไปถอดถอนกิเลส ความผูกมันผูกมัดจิตใจนี้ออกเป็นลาดับลาดาบจิตใจจะเริ่มมีความเบาและสว่างกระจ่างแก้ขึ้นเป็นลดาดับมองเห็นร่องรอยของจิตและมองเห็นจิตชัดเจนเข้าไปเปน็นลาดับจนกระทั่งถึงปัญญาที่แก้วกล้าสามารถฉลาดแหลมคมมีกำลังเกิดขึ้นภายในตัวเอง โดยไม่คิดไม่คาดว่าจะเป็นขึ้นอย่างนี้แต่เมื่อปัญญาได้พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วย่อมมีความก้องแกว้วค้องแค้วแกว้วกามีกําลังมังชาเป็นความเฉลียวฉลาดคล่องตัวละเอียดละ อ, อ่อนเปนลําดับกามจัดทิเลสไปไปภายในตัวภายในตัวในขณะที่พิจนะารณาสกุลกายเป็นต้นแล้วจะ ก, กระจ่างแจ้งโดยเป็นลําดับ แล้วก็ยิ่งเห็นร่องรอยของจิตวิถีของจิตที่มันก้าวเดินเพราอความเกิดแก่เจิดตายเข้าไปดูแลจนกระทั่งสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาที่ละเอียดแหลมคมมากหากเป็นขึ้นภายในจิตใจของผู้ติดตามร้อยร่องรอยแห่งจิตนั่นแหละ แล้วกระจากแก้งจนเป็นลำดับเสียงใดที่มีความเกี่ยวโยงกันจะพาจิตให้นี้ไปเกิดในร่างใดรูปใดสถานที่ใดสติปัญญาจะตามต้อนตัดฟันกันออกเป็นลาดับลดาดัโจนกระทั่งถึงตัวจิตจุดที่เกิดพาให้จิตเกิดจิตตายคืออะไรเมื่อตามเข้าไปถึงจิตแล้วจะได้เห็นเชื้อของจิต ที่สังหยุ่ภายในตัวเองนั้นอย่างเม็ดหรืออย่างจมเม็ดเห็นชัดประจักนี่แหละคือตัวพวกตัวชาตนี่แหละคือตัวพืชอันทําขันพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาสามารถฟาดฟันลงในจุดนั้นให้แหลกแตกกระจายไปจากใจแล้วใจก็หลุด พ้นจากธรรมชาตินั้นและในขณะเดียวกันธรรมชาตินั้นก็ถูก ท, ทาลายกระจายหายหน้าไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยที่จะเรียกว่าเผาศพเกเลดด้วยตะปะธรรมคือมหาสติมหาปัญญาก็ไม่ผิดนี่ละเมื่อเข้าถึงจุดนี้แล้วพบชาติ่ึงเกิด อยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจแห่งเชื้อพาให้เกิดตังอยู่ในกิจนี้ได้ถอนตัวไปแล้วนั้นก็เป็นอันว่าถอนไปหมดพพชาติจึงไม่มีขาดสะบั้นภายใน จ, ใจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถูกถามเพราะรู้ชัดเจนในขณะนั้นทีเดียวว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างนี้เหรอหรือว่าตรัสรู้อย่างนี้แหละกิเลสขาดจากกิจใจกิเลส ท, ที่เป็นเชื้อแห่งภพพาให้เกิดตายมาไม่หยุดไม่ถอยได้ขาดสะบันลงณจากกิจใจอย่างนี้แหละคาว่าถึงพระนิพพานแล้วกับอิจ ท, ที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นจากกิเลสกิเลสได้พังลงไปแล้วนั้นเป็นอันเดียวกัน พูดได้ถึงทำขั้นนี้แล้วจึงไม่ถามถึงมรรคผลนิพพานที่ไหนอีกแล้วเพราะเป็นจิตกับนิพพานเป็นอันเดียวกันแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าสาอุพัสอุปาทิเสสารนิพพานได้นิพพาน ท, ทั้งทั้งที่ขันยังครองร่างอยู่ยังไม่ตายคือจิตนั้นเป็นนิพพานแล้วเป็นแต่เพียงความรับผิดรอบในขัน เพียงเท่านั้นส่วนจิตนั้นเป็นนิพพานเต็มตัวแล้วพอขันสลายลงไปจิต ก, ก็เป็นธรรมทั้งดวงไปหมดเรียกว่าจะเรียกว่าธรรมมาธาตุก็ได้เราจะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์อย่างนั้นไม่สนิทใจเพราะคําว่าจิตที่บริสุทธิ์ จะเรียกได้สนิทใจเฉพาะเวลายังครองขันอยู่ขันยังมีอยู่เรียกได้เพียงว่าจิตบริสุทธิ์หรือเรียกเป็นนามก็เรียกว่าเป็นพระรหันต์เมื่อขันสลายลงไปแล้วคำว่าพระรหันต์กับจิตที่บริสุทธิ์นี่ก็ผ่านไปเป็นหลักธรรมชาติแห่งธรมาาธรมธาตุภายในจิตใจธรรมธาตุนี้ กระจายเป็นธรรมทั้งดวงท่านเรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานคือธรรมชาติที่อิดของท่านบริสุทธทิ์ทุกทุกดวงรวมตัวเข้าไปเป็นมหาสมุทรเป็นเป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพพานนั่นแหละในข้อนี้จึงขอเทียบให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ทราบว่า ทางโลกเขามีการเทียบกันทางธรรมแม้จะพ้นจากสมมุติแล้วก็จำต้องนำสมมุติมาเป็นคุยหมายป้ายทางได้เช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นก็ไม่มีคุยหมายไม้ป้ายทางพอที่จะยึดจะเกาะไปได้จำเป็นต้องยกมาเป็นข้อเทียบเทียงกัน ยีต ท, ที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นนิพานทั้งหลวงแล้วนั้นเหมือนกับน้ามหาสมุทรทะเลหลวงดังที่เราโลกทั้งหลายเห็นกันอยู่แล้วนี้น้ำหลวงมหาสมุทรทะเลหลวงนี่อาศัยแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลามาทั่วดินแดนรวมเข้าไปสู่จุดเดียวนั้นแล้วกลายเป็นน้ำมหาสมุทรขึ้นมา บรรดาแม่น้ําสายต่างๆก็หมดความหมายไปเป็นลําดับลำดาบจนกระทั่งแม่น้ําสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรนั้นแล้วเรียกได้คําเดียวว่าน้ํามหาสมุทรเราจะเรียกว่าน้ําแม่น้ําสายน้ําสายนี้เหมือนแต่ก่อนที่กําลังไหลเข้ามาสู่มหาสมุทรนั้นไม่ได้นี่นี่อันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกัน คำว่ามหาวิมุตต์มห า, านิขานิเทียบกันได้กับแม่น้ำ ม, มหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละเอ็นที่ไหลรวมลงจากกิดของท่านภูริสุ์ผู้บาเพ็ญทั้งหลายนั่นเทียบเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นลาดับลาดาเหมือนเราเหมือนแม่น้ำที่ไหลเข้าสู่มหาวิมุตต์มหานิขาน ใครมีวาสนาบุญญาพิจฉาขันมากเข้าทลายเข่าไหลก็เรียกว่าไหลใกล้เข้าไปมมหาถึงมหาวิมุตติมหานิพพานโจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุทโธเต็มเต็มดวงของใจแล้วนั่นเรียกว่าจิตถึงแล้วซึ่งมหาวิมุตติมหานิพพานทางสายนั้นสายนี้ของผู้ที่บำเพ็ญมาก็หมดความหมายไปตามๆกันนี่เรียกว่ามหานิพพาน ทมทั้งสองประเภทคือมหาสมุดมหาทะเลหลวงนั้นศูนย์ไปไหนไหมเราเห็นกันทั่วโลกปฏิเสธไม่ได้มหาวิมุติมหานิพพานที่เป็นธรรมธาตุอันแท้จริงนี้ที่ท่านเรียกว่านิพพานนิพพานนั้นก็ไม่มีความว่าสิ้นสูดเหมือนกันนี่ เป็นอย่างนี้ในเรื่องธรรมทั้งหลายเมื่อถึงจุดนี้แล้วความเกิดตายความทุกข์ความยากความานักทั้งหลายของใจดวงนี้จึงไม่มีอีกต่อไปนี่แหละเรียกว่าตามร่องรอยแห่งภพชาติของตนเพราะการเกิดการตายเกิดมากี่ภพกี่ชาตหมุนเวียนกันไปหมดในสัตว์ทุกประเภทไม่มีคำหยุดหย่อนในการเกิดการตายท่องเที่ยว ไงพบน้อยพบใหญ่ตามอํานาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนเป็นอย่างนี้เรื่อยมาแต่เมื่อผู้ไม่ประมาท ร, รูาพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบุญสร้างกุศลตามกําลังความสามารถของตนแล้วก็จะเป็นการตามรอยความเกิดความตายนี่ให้เห็นไอโดยลําดับเท่ากับว่าตัดทอนความทุกข์ความทรมาน ของตนเข้ามาเข้ามาและตัดพพตัดชาติที่แสนยืดยาวนานในการเกิดการตายนั้นให้หดยน่นเข้ามายน่นเข้ามามีวาสนาบา ร, รมีด้วยการสร้างกุณณาความดีมากเท่าไหร่วัดตะวันก็ดีทุกทั้งหลายก็ดีในพพชาตินั้นๆก็จะลดน้อยถอยลงไปและหดยน่นเข้ามาเมื่อถึงที่สุด บารมีแก่กล้าสามารถเต็มที่แล้วถ้าว่าน้ำพ็เต็มแก้วแล้วก็ถึงวิมุตินิพานเหมือนกันหมดนี่ละศาสนาของพระพุทธเจ้าของเร า, <c oughs> สาแสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบไม่มีใครสามารถจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้คือบุญคือบาปคือนรกสวรรค์ภพต่างๆของสัต ที่เรียว่าคิุปาตยาณทรงทราบตลอดทั่วถึงอย่างนี้จนกระทั่งถึงพระองค์เองในคิดุปาตญาณที่พระองค์ทรงเกิดที่นั่นที่นี่ได้มาสิ้นสุดมิจุดยุติกันในปัจฉิมายาคืออาสวัคยายาณทรงรู้แจ้งแทงทะลุในขณะที่กิเลสขาดจากพระไทย กลายเป็นพุทธโธ ท, ทั้งดวงขึ้นมาที่ใจนั้นเรียกว่าพระองค์ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางตามพบตามชาติของจิตนี้ได้ถึงจุดหมายปลายทางและสังหารเชื้อแห่งความเกิดให้ขาดสะบันลงจากพระไทยแล้วเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเต็มอก ท่านจึงสามารถชี้แจงทุกจริงทุกอย่างให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นได้ด้วยความรูแจ้งเห็นจริงของพระองค์เองไม่ได้มางมเงาเกาหมัดสอนซุ่มสี่ซุ่มห้าแต่พวกเราสอนด้วยความจริงจึงเรียกว่าสวาคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วว่ า, าบาปมีก็ถูกต้องแล้วบุญมีถูกต้องแล้ว นรกมีสวรรค์มีถูกต้องทุกอย่างพบชาติแห่งสัตว์พบภูมิแห่งสัตว์ต่างๆมีก็ถูกต้องทุกอย่างสวรรค์ทุกชั้นจนกระตั้งถึงพรมโลกนิพพานมีก็ถูกต้องทุกอย่างนี่คือพระองค์ได้บรรจุไปหมดแล้วในพระญาณได้อย่างทราบได้บรรจุไว้หมดในปฐทยในการสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนด้วยความกล้าหาญฉาญชายัย ไม่สะทกสะทานไม่ต้องหาผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นสักขีพยานเพราะความยิงที่รู้ที่เห็นประจักรพรไทยนั้นเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วไม่จำเป็นต้องหาที่ไหนอะไรมาเป็นพยานเรียกว่าสารทิฏฐิโกสุดยอดทรงรู้เองเห็นเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องถามใครนี่ละที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกแล เราเป็นชาวพุทธได้ยินได้ฟังทำเหล่านี้เป็นธรรมของแท้ของจริงไม่ใช่ธรรมแปกปลอมพอที่แค่เกิดสงสัยว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีมีหรือไม่มีนะไม่มีเหลอไม่มีไม่สงสัยเพราะเป็นของจริงแล้วความสงสัยนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมาปิดหูปิดตาของเรา ปิดความเชื่อถือของเราต่อของจริงนั้นให้กลายเป็นของปลอมว่าไม่มีไปเสียเนี่ยให้เราทั้งหลายรู้ในจุดนี้ไว้ให้มากเพราะกิเลสทุกวันนี้ยิ่งนับวันหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันธรรมะนับวันอับเฉาลงไปผู้ที่จะสนใจในอัดในธรรมรู้สึกว่ามีน้อยมากที่สนใจไปตามกิเลสตัณหาประเภทต่างๆนั้นนับวันเอาจิงเอาจังทเยอทยาน วิ่งเต้นควันขวายไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักดีจักชั่วไม่รู้จักบุญจักบาปนระกสวรรค์อะไรเลยมีแต่ความทะเยอทะยานมันดึงไปดึงไปนี้เป็นทางเดินของกิเลสเพื่อลงสู่ที่สัมสามและรับความทุกข์ความทรมานมากทั้งนั้นให้พากันพินิจพิจารณาอย่าปล่อยวางศีลธรรมธรรมนี้แหละเป็นธรรมมันเลิศเลยเราเกิดมาใน ชาตินี้เราได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแล้วในสามเด่นโลกชาตินี้ไม่มีสิ่งใดเหมือนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงตรองไว้นั้นก็เป็นธรรมมันเลิศเลอไม่มีใครจะคาดจะหมายได้เลยเพราะเลิศเ ล, เลอเหนือสมมติโดยประการทั้งปวงจะทราบได้เฉพาะผู้เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทรงไว้เท่านั้นแล้ว แสดงสายทางไว้วางสายทางเอาไว้คือแนวทางแห่งธรรมสอนให้ลกชั่วทำดีเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าสายทางที่จะให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ธรรมประเภทเลิศเลอนั้นดูประจักษ์ในตัวเองทุกคนนี่แหละทำกับพระพุทธเจ้าเลิศขนาดนี้นี่ก็ได้แสดง ปีนี้เป็นปีเปิดอกให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบซึ่งเคยปฏิบัติมาเป็นเวลานานคํว่ารู้ว่าเห็นว่าเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ทําเหล่านี้ก็เคยรู้มาเป็นเวลานานจากการปฏิบัติอย่างเราจริงเอาจังตามทางของพระพุทธเจ้ามาเป็นลําดับได้เห็นผลประจักษ์มาเป็นลําดับดาํานาเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิ ปัญญาสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิได้ปรากฏผลขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงจุดแห่งทบแห่งชาติคือกิเลสตัญหาอาศวะอันยอดเยี่ยมได้แกอวิชาซึ่งฝังอยู่ภายในกิจใจด้วยอานาจแห่งการปฏิบัติของตนที่บําเพ็ญมานี้ก็ได้เข้าถึงจุดนั้นฟาดฟันหั่นแหลก จุดนั้นให้แตกกระจายขาดสะบัดลงประจากษ์จิตใจกลายเป็นพุทธโธ ท, ทั้งดวงขึ้นมาพายใใจโดยไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นมาแล้วปีนี้จึงเป็นปีเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้เราไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยพระธรรมพระสง์ไม่สงสัยมรรคผลนิพพานว่าอยู่สถานที่ให่ เพราะจิตดวงนี้บรรจุครอบไปหมดเรียบร้อยแล้วด้วยสรรทิฏิโกเห็นเองรู้เองโดยประจักอยางสูตรยอดภายในใจนี้แล้วยิ่งในนำรมเหล่านี้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าพุทธศาสนาของเราคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานทดสดร้อนรอนบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มี พรหมโลกนิพพานมีส ด, สดสดร้อนร้อนเหมือนกันกับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีอยู่ภายในจิตใจของเราสดส ด, ส ด, สดร้อนรอนในขณะนี้ทุกคนทำเหล่านั้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นอันเดียวเป็นเหมือนกันเมื่อเราเชื่อว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นภัยต่อเราสิ่งเหล่านั้นอันไหนที่เป็นคุณก็เป็นความจําเป็น ก็เป็นความจริงที่มีอยู่เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสเหล่านี้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเพระอานารน์จงพากันนำธรรมนี้ไปกําจัดป้ดเต่าสิ่งทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในใจของเรานี่ให้กระจายห่างออกไปห่างออกไป <c oughs> ใจของเราก็จะมีที่ยึดที่เกาะสามคัญที่ใจเนี่ยไม่มีที่ยึดที่เกาะ ไม่เป็นตัวของตัวตลอดมาไม่ทราบว่า ก, กับไหนกันใดมีแต่ค่อยควายืึดนั้นยึดนี้มาเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีพีจิตใจไปเสียทั้งหมดทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นไม่ไม่เป็นตามดังควา ม, มหวังความมุ่งหมายของใจนั่นเลยจิตใจของเราหากปล่อยคว้ า, วาไปเพราะไม่มีที่เกาะที่ยึดถ้าเกาะไปตรงไหนจะมีแต่พัง เกาะสิ่งไหนก็มีแต่พังเพราะรูปเกาะเสียงเกาะปินเกาะลถเกาะสมบัติสิ้นคานบริวารเงินทองเข้าขอเกาะลาบเกาะยศอะไรมีแต่เรื่องที่จะพังจะพังจากกิจใจใจเราไม่มีหลักก็เกาะไปเรื่อยๆพังไปเรื่อยๆหาความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่สมหบังสมบังเพราะนั้นจึงขอให้นำธรรมเข้าสู่ใจ เป็นที่ยึดที่เกาะชาติธรรมให้ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าบาปมีบุญมีให้ระวังให้ดีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีเป็นผู้ติอยรู้จะเห็นก็คือเราสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วเป็นปัญหาอยู่กับที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นทีะขอให้สร้างใจของเราด้วยธรรมขึ้นด้วยดี สิ่งเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรกับตัวของเราที่รู้แล้วเห็นแล้วดังพระพุทธเจ้าและพระหันท่านเห็นท่านเห็นจริงๆให้ยึดหลักใจของเราด้วยสติเช่นไปไหนมาไหนอย่าลืมสติให้ระลึกรู้ตัวว่าบาปมีบุญมีความเป็นความตายมีกับตัวของเราให้มีใจเป็นหลักเมื่อใจเป็นหลักกับธรรม เช่นไปไหนนึกพุโทโธติดใจอยู่เสมอใครเคยอบรมทาบทใดาภาวนาทาบทใดให้ยึดหลกักทำ น, น, นั้นเข้ามาสู่จิตใจของตัวเองยึดเกาะไว้ตลอดไปนี่เรียกว่าผู้ยึดหลักอันถูกต้องดีงามจะมีความสงบร่มเย็นจะเป็นหลกักเป็นเกณฑ์ขึ้นที่จิตใจของตนไปเป็นลำดับลำดา ต่อไปก็พึ่งตนเองได้สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยชั่วการเวลาที่มีชีวิอยู่สนั่นเมื่อหาชีวิตหาไม่แล้วสิ่งเหล่านั้นก็พังไปพังไ ป, งไปแต่ใจกับธรรมกับความดีงามที่เราสร้างมานี้ไม่พังเป็นเราเป็นองค์เป็นตัวของเราโดยลําดับลำดั บ, ดบนี่แหละที่จะพาเรา ไปถึงฝั่งถึงแดนแห่งความดีทั้งหลายตลอดแห่งมรรคผลไมผานคือธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะของใจเป็นลาดับไปยาผ้ากันปล่อยวางให้มีหลักใจอย่ามีแต่สิ่งภายนอกมันเป็นลมๆแรงๆเสกสรรขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นสมบัติของเราทั้งๆ ท, ที่มันไม่เป็นสิ่งที่เป็นเราแท้ๆคือธรรม พุทโธก็เป็นเราธรรมโมก็เป็นเราสังโฆก็เป็นเราฝังอยู่ที่ใจของเราเรากับธรรมเหล่านี้เลยเป็นเดียวกันนี้แหละคือเราแท้โดยลาดับลํใดให้ยึดหลักนี้ไว้แล้วใจของเราจะมีหลักเกณฑ์เราจะเป็นเราสิ่งอื่นภายนอกก็เป็นสิ่งนั่นๆไปเสียที่เราจริงๆคือทรรมได้แก่พุทโธธ ร, รมโมสังโฆสติธรรมปัญญาธรรม ระลึกรอบตัวอยู่เสมอนี่เรียกว่าเราสร้างเราขึ้นด้วยธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆสร้างเราขึ้นด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเรานี่ด้วนแล้วตั้งแต่สร้างธรรมขึ้นเป็นเราเป็นตัวของเราเป็นที่ยึดที่เกาะของเราโดยแท้อย่งขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เข้าไปประพฤติปฏิบัติวันนี้เราพูดเป็นขั้นเอง ในฐานะเราเป็นพุทธบริษัทลูกเต้าเหล่าปอของพระพุทธเจ้าหลวงตาบัวก็ถือว่าเป็นกันเองกับพี่น้องทั้งหลายมาคราวนี้รู้สึกว่ามีความยินดีแบบปิ้มเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพี่น้องทั้งหลายเข้ามาเยี่ยมวันนี้แล้วได้ฟังธรรมเป็นสิริมงคลแก่ปิตใจของเราทุกท่าน เหตุที่มานี่ก็เพราะการช่วยชาติบ้านเมืองของเราบ้านเมืองเป็นของทุกคนอย่าถือว่าเป็นของคนนั้นของคนนี้อย่าถือว่าเป็นของก๊กนั้นของก๊กนี้อย่าถือว่าเป็นของใครทั้งนั้นเพราะชาติไทยเป็นสมบัติของเราทุกคนทุกคนจำเป็นต้องต่างคนต่างช่วยเหลืออุดหนุน ข้ามจูนอุ้มชูชาติไทยของเราไปด้วยความรักชาติไปด้วยความสามัคคีไปด้วยความเสียสละทุกอย่างแล้วชาติไทยของเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองและแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลําดับนี่หลักใหญ่ที่เราทั้งหลายจะต้องทําด้วยความจําเป็นทั่วหน้ากัน แล้วสิ่งที่จะเป็นเครื่องหนุนของชาติไทยและเป็นการกระตุ้นเตือนใจของชาวไทยเราให้รู้เนื้อรู้ตัวก็คือว่าการประหยัดมัดไถ่ในการอยู่การกินการใช้การสอยยาสู้ช r ้รายาฟุ่มเฝือยสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อสมัันเกินทองและจิจใจของเราตลอดเป็นภัยต่อประเทศชาติได้โดยไม่สงสัย ต่างคนต่างใช้ความประหยัดมัธยัติรู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้คนไทยทั้งประเทศมีจํานวน62ล้านต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวต่างคนต่างประหยัดมัธยัติแล้วจะเป็นการก่อบผู้ชาติไทยของเราให้กระตื้องขึ้นไประดับโจนความนี่เป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นเพราะความพร้อมเทียงสามกีรักชาติของตนอุ้มขึ้นต้องขึ้นได้โดยลําดับ อย่างที่หลวงตามาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็มาในานามของประเทศชาติบ้านเมืองของเราสําหรับหลวงตาแล้วพอทุกอย่างหลังที่จะประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเวลานี้ว่าเราตามรอยแห่งวัฏจักรถึงตัวแล้วได้สังหารมันลงเรียบร้อยแล้วความเปิดตายของเราไม่มีตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอีกแล้วจะมีเฉพาะชาติที่เกิดอยู่เวลานี้ มันจะพังเมื่อไหรล้วก็รู้หมดตลอดทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่มีความดีใจเสียใจกับอัตภาพร่างกายนี้จะแตกไปเมื่อไหร่ความเป็นกับความตายของเรามีน้ำหนักเสมอกันเราไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่เป็นอารมณ์กับการเป็นการตายเหล่านี้เลยแต่ที่มีความหนักในความเป็นอยู่นี้ก็เพราะเป็นความห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองของเรา มีความสงสารจึงต้องพยุงร่างกายอันนี้เพื่อการช่วยชาติบ้านเมืองของเราชีวิตความเป็นอยู่ของเราจึงรู้สึกว่าหนักไปทางเป็นอยู่มากกว่าความตายถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องความเป็นกับความตายของเราไม่มีน้ำหนักอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันมีเสมอกัน เพราะได้รู้รอบขอบคิดกับมันทุกอย่างแล้วตั้งแต่วันกิเลสตัวสำคัญที่พาสร้างพบสร้างชาติภายในจิตใจได้ขาดสมบั้นลงจากใจตัตดสินกันในวันคืนวันนั้นแล้วไม่มีสินใดสงสัยจิตใจสว่างโลกครอบแดนโลกธาตุวันนี้เปิดอีกทีหนึ่งให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบใจดวงนี้เวลากิเลสครอบงำมันอยู่ก็เหมือนกับเราหลับตาอยู่นั่นแหละ สิ่งใดจะมีเต็มโลกธาตตาไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะ ห, าะหลับตาอยู่แต่พอลืมตาขึ้นมาเท่านั้นสิ่งใดที่ควรวิสเป็นวิสัยของตามองเห็นหมดนี่ใจดวงนี้ก็เหมือนกันเมื่อเปิดกิเลส ต, ตัวปิดบังนี่ไว้ซึ่งเท่ากับคนหลับตาออกแล้วจิตสว่างจ้าพรอบโลกธาต เป็นเรกวิทูตามอำนาจวาสนาของตัวก็พูดได้ร้อยเปอร์เซ็ไม่ต้องไปถามใครเป็นความมหัศจรร์ที่ความรู้ความเห็นความเป็นข้งเราที่เกิดขึ้นมานี้ไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจะเป็นได้อย่างนี้แล้วเป็นขึ้นมาได้อย่างไรก็พระจักในเหตุที่เป็นมาได้นี่ยพระจักกับใจเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องมรรคผลนิพพานนารกสวรรค์ พบภูมิต่างๆเพราะมันจ้าอยู่ภายในหัวใจนี่แล้วเราพูดอย่างอาถฐานา์านใข่ไม่โชงสถานเราเห็นจริงๆรู้จริงๆเป็นแต่เพียงว่าจะเป็นวิสัยประการใดบ้างที่จะมาแจกแจกให้พี่น้องทั้งหลายทราบพอได้รับผลประโยชน์ตามที่ควรแก่กำลังความสามารถของตนนั้นจึงได้แยกแยะออกมาตามสถานที่บุคคลสังคมต่างๆที่ควรจะแยกทาเหล่านี้ออกเป็นประโยชน์ หากว่าประฐานที่ใดไม่ควรที่จะเป็นประโยชน์<ๆ>ก็เหมือนไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นรับหูรับตาไปเสียทั้งๆที่รู้เห็นอยู่นั่นแหละแล้วก็เกิดความสรุปสังเวชในการแนะนำสั่งสอนโลกที่มันรับหูรับตาอยู่นั่นเป็นกำลังมากผู้ที่ควรจะได้รับเป็นผลเป็นประโยชน์ก็ยังมีอยู่มากจึงอุตสาหพยายามแนะนำสั่งสอน ด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่สะทกสะทานภายในใจนี่เลยพระพุทธเจ้าท่านไม่สะทกสะทานเพราะอะไรเพราะท่านประจักษ์ในพระไถ่ของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่รู้อยู่ประจักษ์พระไถ่นั้นแล้วจะไปสงสัยที่ไหนนี่ก็เมื่อเปิดตาใจขึ้นมาอย่างสว่างกระจ่างแจ้งเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีกิเลสตัวใดที่เป็นมาปิดมาบางังแล้วมากระเจ้าเต็มภูมิของจิตนี้เหมือนกันแล้วกเห็นอย่างที่ว่านี่ จะอไม่ให้ว่าเห็นได้ยังไงแม้ว่ารู้งไงมันรู้มันเห็นอยู่นี่ทั้งๆ ท, ท, ที่ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สําคัญแต่ความรู้นี้จ ะ, ะไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดที่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีคําได้คําเสียจากความเชื่อไม่เชื่อของคนแต่เป็นหลักธรรมชาติที่พอตัวอยู่แล้วกับความรู้คำเห็นที่เป็นอยู่นี่ไม่สงสัยเท่านั้นเป็นที่พอใจนี่คือผลแห่งการปฏิบัติ ตามาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าผลได้ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ตัวเองก็คิดผิดไม่เคยคาดเคยหมายไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาเริ่มมาปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยคาดเคยหมายแต่เวลาปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไป รู้ไปเห็นไปขึ้นภายในตัวรู้ตรงไหนหายสงสัยตรงนั้นรู้ตรงไหนหายสงสัยตรงนั้นมาโดยไม่ต้องไปถามใครจนกระทั่งรู้ถึงจุดสุดยอดแห่งความเกิดแกเก็บตายจากกิจที่บริสุทธิ์เต็มดวงนี้แล้วหายสงสัยจากนั้นสิ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับจรกิจดวงนี้ที่จะควรรู้ควรเห็นตามความมีอยู่เป็นอยู่ของเขาไม่ก็ได้รู้ได้เห็นตามความมีความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็ จะสงสัยที่ตรงไหนแล้วจะไปถามใครเอาใครมาเป็นพยานความรู้นี่เป็นพยานของตัวเองเต็มตัวแล้วจะไปถามใครนี่แหละคือความจริงที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนโลกสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์นิพพานแป็นธรรมสมบูรณ์แบบไม่ได้ล่อยหลอไปที่ไหนเลยมีแต่กิเลสมันปิดบงังห้องห่อจิตจังทงั้งจิตใจทั้งหลาย ปิดไว้ไม่รู้ตามสิ่งที่มีที่เป็นมันปิดไว้วาบาปมีมันบอกไม่มีนี่ให้จําให้ดีนะเฮะมันปิดตลอดเวลานะบาปมีบุญมีแลโลกมีสวัสนีมันจะไม่ยอมรับนี่คือกิเลสขวางธรรมกิเลสเป็นท่าสีของธรรมมันเป็นท่าสึกและขวางธรรมอยู่ที่หัวใจของเราแต่ละดวงละดวงเราต้องการทําให้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกภายในใจเราจะได้ก้าวเดินก้าวเดิน ความยากความลำบากเป็นเรื่องของกิเลสสร้างฝากสร้างหนามไว้ที่การเจ้าเดินของเราทางนั้นไม่ใช่ทำท่านเป็นผู้สร้างฝากสร้างหนามไว้บิดกั้นพวกเรามีแต่กิเลสตัวเป็นภัยต่อธรรมดังนั้นมันปิดบังเอาไว้มันกีดกันเอาไว้ไม่ให้เราสร้างเราจะทําฐานมันก็ตนีเสียนี่คือกิเลสเราแยกความตนีออกมาทําฐานก็เรียกว่าสู้กับกิเลสเป็นทุกข์กับเป็นทุกข์เพราะความตนี กับความเสียสละมันขัดมันแย้งมัารบกันนั่นเองนี่เราเป็นทุกข์ตรงนี้จะรักษาสีเจริญภาวนามันก็มีอุปสรรคสร้างขึ้นมาภายในใจของเราไม่ทําเต็มไม่เต็มหไหวเยอะแล้วนอกจากนั้นมันก็บอกไม่ทำนันเมื่อมันมีกิเลสเมื่อมันมีกําลังมากมันตัดขาดเลยจะทําทานสตาหนึ่งก็ไม่ยอมไม่ทำจะรักษาศีลแม้ข้อเดียวก็ไม่ยอมมารักษา จะภาวนาพุโทโธพุธโทโธคำสองคาไม่จบมันไม่ยอมให้ทำํำนี่คือกิเลสมีอำนาจปิดกั้นไว้เสียทุกอย่างหาทางก้าวเดินเพื่อความสุขความเจริญในรำทั้งหลายไม่ได้เลยยังขอให้พน่นองทหลายทราบเอาไว้ภายในจิตใจของเรากิเลสอยู่กับใจมันจะสร้างความสร้างนามไว้ภายในจิตใจของเราเมื่อเราคิดที่จะทําความดีมากน้อยแค่ไหมากแค่ไหนมันจะสร้างขึ้นมาทันทีทงนตีให้ทราบตัวของมันไว้แล้ว ถ้าเดินแล้วฝ่าฝืนกันทำลงไปขึ้นชื่อว่าความดีกิเลสไม่อยากให้ทำตลอดยิ่งฝืนกิเลสหนักเข้าหนักเข้าต่อไปกิเลสก็ค่อยอ่อนข้ออ่อนข้อการสร้างความดีของเราก็จะค่อยลาบลื่นดีงามขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ได้สร้างอยู่ไม่ได้ความดีไม่ได้สร้างอยู่ไม่ได้ไม่ได้ทานวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไม่ได้ไม่ได้รักษาศีลไม่เจริญภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไม่ได้ เพราะทำมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นโดนบาัดาลฉุดเราไปในทางที่จะให้ทําความดีตลอดไปกิเลสค่อยอ่อนข้อลง อ, ลงอลง้อลงข้อลงนี่ในขั้นเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้ที่นี่ขั้นเรื่องคิตตะภาวนาก็เหมือนกันเ <c> ว <oughs> ลาที่เรายังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรจะภาวนานี้มันเหมือนกับจูงหมาใส่ฝนเคยเห็นไหมจูงหมาใส่ฝนมันร้องแงะเ ง, งมันไม่อยากหนาวจจูงหมาใส่ฝน นี่จุงเราใส่ศีลใส่ทานใส่การเจริญภาวนาไม่ขยันแงๆใส่หมอนใส่เสื่อไปอย่างนั้นนั่นไปอย่างนั้นนะนี่เรียกว่าฝืนเอา้ามันไม่อยากภาวนาก็ภาวนาฝืนก็ไปฝืนก็ไปสุดท้ายก็ได้ปรากฏผลขึ้นมาจากความฝืนตั้งตนเป็นสิริมงคลขึ้นภายในจิตใจใจไม่เคยสงบก็สงบจากความสงบแล้วก็กระจ่างแก้เอาไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนตัวไปเรื่อยจนกลายเป็นสติปัญญาอตโนมัตินี่ถึงที่แล้วจริง ถึงที่แห่งปัญญาแห่งธรรมที่มีกําลังมากแล้วกิเลสวิ่งหัวซุกหัวซูลหาที่หลกซ่อนมาอย่างนั้นทำประเภทนี้เอาขาดสะบ้านขาดสะบันเราจึงได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสคือตัวขวากตัวหนามปิดกัน้นค้นทางพอท่าทำมีกําลังมากแล้วกิเลสเหล่านี้หายหน้าไปหมดลม่มศพวิ่งหลกวิ่งซ่อนหัวไปตลอดไปจนกระทั่งได้ค้นคุยเขียคค่ยวุดค้นหาหมา กิเลสตัวใดเก่งให้ออกมากิเลสตัวใดเก่งให้ออกมาออกมาขาดจะบั้นทันทีนี่พลังแห่งธรรมมีมากแล้วเป็นอย่างนั้นแก้ไขถอดถอนกิเลสเป็นอัตโนมัติไม่ต้องมีใครบังคับบัญชาหากเป็นไปเองในหลักธรรมชาติของจิตของธรรมที่มีกําลังพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นนี่เวลาธรรมมีกําลังกล้าเพียงใดเวลาไม่ไม่มีกําลังมิได้กิเลสมันจีบมันขวางตลอดเวลาขึ้นชั่วจะทําความดีหลไรแล้วไม่ยอมให้ทํา ถ้าทําความชั่วแล้วไหลไปเลยนั่นเนี่ยพอทํามีกําลังกล้ามันแก้กันตรงกันข้ามเลยเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับีิเลสสร้า ง, งวัาตถาจักในหัวใจขนในหัวใจศัพท์โดยอัตโนมัติเหมือนกันเมื่อมีทำมี ก, กํากลังแก่กล้าสามารถแล้วก็สร้างคือแก้ไขตัวเองถอดถอนตัวเองที่คลายตัวเองหมุนกลับเป็นนิวัตตาจากักวิวัตตาจากักวิวาตาาัตธรรมเป็นลําดับไปจนกระทั่งทะลุพุ่งถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยอำนาจแห่งธรรมมีกกำลังเต็มที่แล้วนีวันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตัวถึงกัน น, นานนานหลวงตาจะจด้มาทีนการสงฆท้อโลกนี้เราสงข้อสองประเพคือวัตถุเงินทองเข้าของที่จะค้ำจูนชาติไทยของเหล่านี้เวลานี้กำลังบกพร่องมาก ก็ได้เชื่อเชิญขอบิณฑบาตจากพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาของเราซึ่งมีต่อชาติบ้านเมืองเราไม่ได้ขอพี่น้องทั้งหลายด้วยความทุกข์นคนแค้นในตัวของเราแต่เราขอด้วยความเมตตาแก่ชาติบ้านเมืองของเราจึงขอบิณฑบาตากพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวไทยและเป็นชาวพูดด้วยกันนี่แล้วนี่เป็นวัตถุที่จะหนูชาติของเราประเภทหนึ่ง อันสำคัญที่สุดก็คือทมกับใจนี่ทำเข้าสู่ใจใจได้รับกำลังแห่งทมเข้าหนุนตัวเองแล้วย่อมีกำลังในความประพฤติหน้าที่การงานทุกด้านทุกทางไม่ค่อยรอแหลมต่ออันตรายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามจะเป็นไปเพื่อความราบรื่น ง, งายยิ่งได ทำเป็นเครื่องประดับใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้พุทธโธธรรมโมสังโภและสติตั้งตัวไว้ให้ดีสร้างความดีให้แก่ใจตลอด เ, เวลาแล้วเรียกว่าเรามีหลักใจการสร้างหลักใจการแนะนําสั่งสอนเพื่ออบรมจิตใจสร้างใจให้มีหลักมีเจณ น, นี่จึงเป็นธรรมที่จะเป็นความจําเป็นมากไปที่ไหนจึงปล่อยวางไม่ได้อันนี้เป็นกําลังอันสําคัญแก่ตัวของเรา สังคมและชาติบ้านเมืองสำคัญอยู่ที่จิตมีหลักมีเจนมีอัดมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วก็จะมีความราบลื่นดีงามเป็นลำดับลำดาเ อ, าเอาไปนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะการพูดหากว่าผิดถูกประการใดก็ขอพี่น้องทั้งหลายได้ให้อภัยเกลหลวงตาด้วยนะเพราะแก่แล้วพูดมาก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยไม่ละ นี่แบกสังขารร่างกายมาช่วยชาตเพราะอำนาจแห่งความเมตตาต่างหาถ้าพูดตามลำพังแล้วการแนะนำสั่งสอนนี้หยุดมาได้ห้าปีแล้วนะ <c oughs> ไม่อบรมสั่งสอนพระเ น, นประชาชนเขานมนวนไปงานไหนงานไหนไม่ไปไม่ไปแต่นี่เพราะความกระตุ้นเตือนฮจากชาติไทยของเรา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ตัวมากนี่แหละเข้ามากระตุ้นเตือนหรือกระตุกใจจึงได้ฟื้นตัวกลับมาใหม่ซ่อมอัตภาพพื้นตามกำลังเข้ามาแต่จิตใจนี่มีความเมตตาล้นพ้นครอบโลกธาตุอย่าว่าแต่ครอบประเทศไทยของเราเพราะใจนี้สว่างจากครอบโลกธาตุจริงๆบันนี้เปิดให้พี่น้องตงหลายทราบเรื่องผลแห่งการปฏิพัฒน์ทำตามทำกัน าศาสนาธรรมของพระรเจ้าจึงกล้าพูดว่าพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆนี่แหละนี่แหละที่ได้อุตส่าห์ปฏิบัติมาช่วยพี่น้องทั้งหลายก็เพราะความเมตตานี้โดนมันได้ในตะเกียบตะกายจยางนี้ก็จะไปที่ น, นั่นจากนั้นก็จะไปที่นั่นเรื่อยๆไปที่ไหนเพื่อชาติทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้เพื่อเรา เราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้จะพูดว่าเวลาหลวงตาบัวตายนี่ย่านิมนต์พระมากุศลาธรรมมานามเอกุศลาธรรมาหลวงตาบัวตายแล้วไปไหนหนาอย่างนี้ยานิมนต์มากุศลาเรากุศลาเต็มตัวของเราแล้วปิดฉลาดรอบโลกธาตุแล้วไม่มีสิ่งใดสงสัยพอที่จะใหพระ มาช่วยชักช่วยจูงช่วยลากช่วยเข็นว่ากุศลธรรมมาลวงตะบัวตายแล้วจะจมนโลกนะลากขึ้นมาอย่างนี้แล้วไม่มีแล้วหมดแล้วหายสงสัยทุกอย่างนี่ละผลใงการปฏิบัติถึงขั้นนี้ขั้นหายสงสัยเต็มภูมิที่ศาสนาสอนไว้สอนไว้ถึงมรรคผลนิพพานจิตใจเรากับนิพพานเป็นอันเดียวกันแล้วเราจึงหายสงสัยทุกอย่างแต่วันนี้การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเปเวลา ควมเคารพความเจ้าบัน ด, ดีจะมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทินเหนื่อยแล้วเวลาขึ้นเวทีต่อยไม่หยุดไม่สอยนี่พอลงจากเวทีแล้วจะสรุปสลดยแล้วนั่นนี่แหละเท่าไหร่กี่นาทีโจะชั่วโมงเนื้อชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบเอยนั่น วันนี้เทศตั้งช่วโมงสิบนาทีนะไม่ใช่เล่นนะโยมจะอยากจะาของมาถวายตรงนี้จะได้ไหมครับผมเอาได้ได้เอามาเวลานี่มาเอานั่นแหละไม่ใช่มาอะไรนะมีอะไรเอาหมดแล้วอมาก็มาเอานี่วันนี้มาเอากระพ่น้องทั้งหลายมาเอากับคนอื่นแล้วก็ไม้ไล่เตียวนี่ก็มาเอากัะพ่น้องทั้งหลายเนี่ยเอาใครมีอะไรเอามาเออเอาเลยรับไปเลยเออนี่เราช่วยกันเรียกว่าช่วยชาติบ้านเมืองของเราก็เหนื่อยแล้ว เอาไว้นั่นละเอาไว้นั่นหละมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยโทษโทษโทโเท่ชั่วโมงสิบนาทีแหน่เอาจนได้ละมันเตือนเองน้ามันเหนื่ยเหนอออ่อนคอแขถ้ายิงเ่ง